สิ่งที่พวกเราสมทานไปานปั้นเป็นสูขุมถ้าเป็นไปได้ให้พากันรักษาเวลาเราสมทานข้ังต่อไป ในเราท่อความใจคำทำความเข้าใจว่าเหมือนกับเราทบทวนราวีทานอย่างท่านทบทวนพระท่านทบทวนสวดพระปฏิโมกทุกวิกทุกสิบห้าวันของเดือนที่ท่านท่านให้ชื่อให้นามว่าคำอุศ ด, ดังคกรรม รือว่าลงบวชสดเพื่อสวนที่ธรรมดาตัวพระกวีโมกเวลาสวดไปท้องพุทธการท้องพระคุรเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลาสวดพระีโมกก่อนจะสวดไม่ได้แสดงอ้าบดเหมือนทุกวนันนี้ทุกวนันนี้ก่อนจะ ตัวรัพฟอรติโม่ต้องแสดงอาบัตก่อนอาบานอาบัตเล็กน้อยตั้งแต่อาบัตทุนและใจปาจิตตีปาจิเทชะนิยะทุกกดทุกประสิท ธ, ททธิ์แต่ก่อนไม่ได้แสดงที่แสดงในปัจจุบันนี้ไมะทั่วพรไม่ละชาการตรวจ และแล้วเดยวฟนะฟังไปไปไปที่ฟังไปฟังไปถ้าพิจารรูปใดต้องออาเอาตัวไหนสิขบวนใดต้องหยุดสวดก่อนมันก็ออกไปข้างนอกเกศอ่าเกศที่สวดอ่าออกออกไปข้างนอกเกตสีมาแลกออกไปแสดงอบาติก่อนจะเข้ามาฟังต่อฟังไปฟังไปสิมีอีกรูปใดรูปหนึ่ง ไปโดนอบัตสิขบทได้สิขบทหนึ่งแล้วก็ออกมาแสด ง, สงใตสตะขวนตรวจพระปฐมโอกถเขาจะเป็นสองสามหรสีสมองกว่าจะจบข้าพระพิสูจน์เยอะแต่ปกติโดยโดยส่วนมากทัง้งพุทการไม่จะไม่มีเท่าไหรพระอาชิพเป็นอบัตที่เล็กน้อยโดยส่วนมากไม่จะมีพระอาหารหันต์มากมากบ่อยบางทีก็พระอาหารหันต์ท้อ นี่ก็พันสองร้อยห้าสิบวงยันด้วนแล้วจะพาทหาถ้ามีจะพาทหารท่านจะไม่มไ ม, ม่ไม่มีการแสดงกับัตรพ่ว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์แล้วที่อจิตใจของท่านบริสุทธิ์จิตใจท่านเป็นเป็นพระวินยัยหนะจังหวะสติวินันดุสติวินันยดาสบนญสติไม่เป็นสติวินัยไม่ไม่ได้ทำบาปทํากรรมไม่มีสัยเลยอันนี้ก็เมื่อกัรพวกเราให้ให้ไม่เป็นการพวน ทวนทีห้าห้าทวแล้วข้อไหนบ้างที่ที่ตนเองล่วงเกินหรือว่าพังเพลไปทําที่นี่มันมีเจตนาบ้างไม่มีเจตนาบ้างที่นี่ตัวศีนั่นคือว่าเจตนาเจตนาหังพิฆเวสีดังอสีลังบดามีตัวเจตนานเป็นตัวศีนเจตนาวิรัต ไม่ซองรับก็ได้ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะเป็นศิลขึ้นมาเจตนาวิรัตสธรรมทาสธรรมทานานาวิรัติธรรมทานเหมือนกับมุขที่นิวรัตธรรมทานนวิรัตจริงๆก็ธรรมวชิรทาาวิรัตอันนี้ขาดขาดขาดข้างเดียวเหมือนกับเหมือนกับพระภิกษุท่านออันนี้รับศีลข้างเดียวก่อนก่อนจะเข้าบวช หลักหักษาเออเนี่ยก็สมมติฐานสิน่ะสมมทิฐานสินสิสมัยนี้นะบทเป็นเรนบทเป็นเนก่อนที่นี่พอบทเป็นเรนเสร็จแล้วจึงว่ายัดจิตเจตุธกรรมเป็นพระภิกษุอันนี้ก็เหมือนกัน่ะปกครองให้ท่ากองก็จะเข้ขขาใจการรักษาสินแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าสินอยู่กับพระแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าสินนี่อยู่กับตัวหนังสือ ยาไปเข้าใจว่าที่นี่อยู่ในตู้เพร่อแต่พี่ดกจริงๆรแล้วมันอยู่กับพวกเราทุกคนถ้ามีจิตใจถ้ามีรูปร่างกายจินมันอยู่ที่นี่อยู่ที่ดวงจิตดวงใจจิตใจเนี่ยเป็นจิตจิตใจเนี่ย เ, เป็นธรรมถ้าพวกเรารักษาเนี่ยจิตห้าข้อเนี่ยปฏิบัติไปให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้ามันนานเข้าที่นี่อันนี้สองของการรักษานี่บุญคือความสุขกายสบายใจ ภูษณคือความสว่างของจิตของใจเนี่ยแหละมันจะผลักดันจิตใจของเราเนี่ให้อย่างเข้าสู่ความจริงหรืออย่างเข้าสู่ความสงบหรือว่าผลักดันจิตใจของตัวเอง เ, เข้าไปเห็นจิตของตนเองเดี๋ยวนี้มันจิตจิตใจของพวกพวกเราเนะ่ยมันยังไม่เห็นตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าใช้คว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นให้นแล้วจะทากโทษก่อนจะรู้ธรรมเห็นธรรมร ข, อรของของจริงของพระพุทธเจ้าลต้องรักษาคนต้องรักษาคนรักษากายให้ปกติไม่ให้มีโทษรักษาวาจาให้ปกติไม่ให้มีโทษรักษากจิตใจให้ไม่ปกติไม่ให้มีโทษนไม่ให้มีอพยาบาทอาฆาตจองร่างจองผันบคุคคลอื่นสัตว์อืน่นไม่เห็นผิดจาก ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ไปถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นนอกลี้นอกรอยไม่ไปกราบตนไม่ภูเขาเทววันอ่าเป็นเป็นเป็นศาสนาเป็นเที่ยงไม่ไปกราบไปไหวอ่าอาภูมิเจ้าที่หรือไปแม่อาภามิเจ้าที่แม่นางธรณีแม่นางคงคาพญามาถึงไร่ปุ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผิดพระไตรชนนักกมศาสนาแปลว่าอ่าเที่ยง ชนะชนะคมชนะแปลว่าไปแปลว่าที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดก็คืออ พ, พระพุทธพระธรรมพระสูง์พุทธะก็คือดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านนอกมงคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตสู่ใจอ่พพะพุทธะก็แปลว่าผู้รู้นี่เนี้ยธรรมะก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราปฏิบัติขึ้นมาปฏิบัติศีลปฏิบัติ ท, ท่านปฏิบัติศีลขึ้นมา สั้งฆะก็คือผู้ปฏิบัติถ้าใจิตใจไปเห็นธรรมสามอย่างเห็นทุกข์ดึงเห็นสมัมภะไทยเห็นทุกข์เกิดที่หนึ่งเห็นอิโรดคือความดับทุกข์ที่หนึ่งดับไปสั่วระยะสั่วข้างสั่วคราวเนี่ยใจิตใจเขาไปเห็นธรรมจิตใจเขาไปเห็นตนนั่นแหละท่านที่ท่านว่าตัวตกายัติถิิน แล้วกับวิจิหิชาก็ไม่ส้งสัยทีละพัฒนาสมานี่ก็ไม่ต้งสัยตัวสกายยติเทนี่มาไม่เห็นตนนี่เป็นร่างกายไม่เห็นร่างกายเป็นตนไม่เห็นตนมีในกายไม่เห็นไม่มีไม่เห็นเห็ น, หนร่างกายมีในตนถ้าจิตไม่เห็นชัดเจนลุเข้าไปนี่แหละจิตใจมันจะเป็นพระ พระอะไรล่ะก็พระโสดานที่พวกเรากําลังดําเนินอมรรคของพระโสราหมือนทางะจะเจริญมรรคของพระโสดาก่อนตั้งต้นไปแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญพระเะจริญเมตตาภาวนานตาสมเข้าสะสมเข้าเมื่อมันมากเข้าเลยชาติจิตใจก็ไปเห็นตนนั่นแหละใจิตใจจะเห็นธรรมเมื่อ เมื่อจิตใจเห็นธรรมนั่นละ่ะจิตใจจะเป็นพระพระนี่ไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองไม่ได้อยู่กับหัวโลดนี่อันนี้ก็พระนี่ก็บจริงอยู่แต่ว่าพระสมมติยังไม่เป็นพระเต็มร้อยถ้าพระเต็มร้อยต้องจิตใจให้เห็นธรรมก่อนให้เห็นทุกข์ก่อนให้เห็นธรรมชห้นไเหตุทุกเกิดที่ก่อนให้เห็นนิโรดคือความทุกข์นี้ก่อนทุกข์ชั้นไเหตุนิโรธสามสามอย่างสามข้นมันเป็นหัวทางเข้าไปดับทุกข์ มวทุกสมุทัยนิโรธไม่เป็นทางให้ซื้อว่ามักจมวะทุกสมุทัยนิโรธมักนี่เรียกว่าอริยะสัจธรรมทั้งสีท่ทุกสมุทัยนิโรธมักจำ ข, ข, ข, ข้อข้อข้อแรกมักข้อต่อไปทิ่สัมมาสังกปรํารีออกจากกามจะถามว่ากามมีที่ไหน กามกับที่นั่งอยู่นี่แหละอืมก้อนสักวิรากายของพวกเราก้อนกามก้อนกามทุกคนล่ะทั้งหญิงทั้งชายเป็นกามทั้งหมดจะมาก้อนกามกามตัวนี้กรมเนี่ยแปลว่าเกิดกามแปลว่าเกิดถ้าไม่มีกรามพวกเราก็จะไม่ได้เกิดอืมอืมอืม ถ้ามันไม่ได้เกิดถ้ามันไม่มีความยิน ด, ดีซึ่งกันและกันพวกเราก็ไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นกรรมตัวนี้มันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษอโทษมันก็มหันคุณมันก็อ น, นันไม่มีที่เปรียบมันมีที่ยุติพัฒนาเรื่องเรื่องคุณเือ แ, และเรื่องโทษคุณพออาศัยก่น ก้อนสกนละกายก้อนสักลกลกรรมนี่แหละปฏิบัติเอามาใช้ทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานเอาประโยชน์จากก้อนสกลวนก้อนสั ก, สกละกายก้อนสักกละกรรมนี่ยเอาก้อนนี่มาปฏิบัติเอาสมบัติของบิดามันดามาสร้างคุณงามความดีเอานี่เอามาทำทานเอามารักษาศีลเอามา กล่าวจเจริญไหวพาสวดมนต์จังหวะไหวพาสวดมนต์ ล, ลักษณศิลทังหวาเอาบุญทางกายภาวนาเอาบุญทางกิตใจนี่ที่พวกเรามามาภาวนาแล้วก็มาเล็กถึงพุทโธพุทโธพุทโธทุทโธ ท, ทั้งวันได้บุญทั้งวันทั้งปีได้บุญทั้งปีน่หรือว่ากำหนดลมหายใจหรือว่าจะกำหนดดูอวัยวะร่างกายของเรา ส่วนได้สูดดมในภายในร่างกายนี่ก็เป็นเป็นการภาวนาปฏิบัติเหมือนกันภาวนาเนี่ยคาที่ว่าภาวนาเนี่ยแปลว่าทําให้เกิดให้มีทาให้อะไรเกิดทําให้สติเกิดทําให้ปัญญาเกิดเมื่อสติเกิดขึ้นมาแล้วที่จเจริญให้สติตัวนี้อันไม่เต็มมีกียเมื่อสติเต็มมีเกียรตา ปัญญาพวกกระจบจะจะเท่าเมื่อกันเพราะว่าสติกับปัญญาถ้าแยกออกมากเป็นสองถ้าเข้าไปข้างใ น, นก็เป็นใ น, นเดียวกันรวมอยู่ที่เดียวกันก็คือจิตใจสติก็คือจิตใจปัญญาก็คือจิตใจศีนก็คือจิตใจธรรมะที่ก็ ค, คือจิตใจทำก็คือ จ, จิตใจยอยู่ที่เดียวกันน้องนอง่องออกมาดูร่างกาย นี่ส่วนร่างกายนี่เขาไม่รู้จักนิโหนอีอะไรไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกเพราะว่าอยู่ในกน้อนชะกคนร่างกายของฟรนอนสมบัติของบิดากรมันจะมีธาตุดินตั้งแต่ผมขนและขนนังจนไปจนไปถึงอาหารใหม่อาหารเกา่านี่เป็นสมบัติของบิดาสมบัติของมดาทั้งสมบัติน้้ำดี ไปถึงน้ำมูดน้ำพูดมีเป็นจังหวัดของของมาดาแต่พวกเราใช่สมงหวัดของบิดามารดาปราะฉนั้ผู้ใส้เป็นเป็นคนทิดแก่ตนผู้ไมเป็นเป็นคลายเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราให้ดูจักบิดามารดาให้เมื่อเห็นคุณของบิดาเห็นคุณขององมาดาอันดับต่อไปมันก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นจ ะ, จ, ะจะขึ้นตั้งน้ำมือ น, นี้ก่อน เขาทำอะไรน้อมเข้าไปนะนะคืยกกูนะคืออคือมาดาโม่คือเวลาจ้ะนะโมตัตตะตัศวาโตตัะวาโตอันว่าพระภูมิชอบแล้วอรหะโตท่านเป็นพระอรหันตัมมาท่านสาธุชอบแล้วสำพุทธัตทะทัตนะท่านเห็นชอบแล้วท่านเห็นอะไรสิน ฉันหเห็นอริยสัจสาั้ิบสีเห็นทุกเห็นสมูกไทยเห็นทุกเกิดเห็นนิโรธซึงความดับทุกข์ถึงจิตถึงใจจริงๆริงงาเนเจเจของสันจะเป็นพระพระอริยเจ้าเจ้าสันเจ้าว่าอาาริยสัจสามสสีเ่เป็นเป็นธรรมของพระใน เ, เจ้าพระใน เ, เจ้าจะตั้งช่งมเด็จะพระโสราภิกษุทาคาพระอนาคาและพระอรหรันโดยลําดับ ละเอียดขึ้าไปดำดับสูงขึ้นไปโดยลำดับที่นี่ส่วนจิตใจเนี่ยทั้งสัตว์ทั้งหุคนน้อยที่สุดทั้งผูนัตที่แต่หักขึ้นมาหม็ดดำเมวดแดงทั้งสัตว์ต้นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนัแล้วก็ทั้งมนุษย์มนุษย์เราทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนสลาจิดใจอันเดียวกันนั่แต่ว่ามันสูงต่ำความ กันคือวดวงจิตดวงใจเพราะฉะนั้นพอเจ้าพุทธเจ้าจะมาสั่งมาสอนพวกเราให้อบรมจริตใจในแห่มัธสูงขึ้นสูงขึ้นไปโดยลําดับตั้งแต่ขั้นพระโสดาพระสิาขาพระอนาคาและสิ ง, งขั้นพระอรหันต์สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยพราะฉะนั้นว่ามาอบรมจริตใจให้ให้มาเต็มเมือ่อจิต ใ, ใจเต็มแล้วที่นี่ สำลักจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากมวลถิ่นแหลสํลักมวถิ่นสํลักความมืดบนอนตะ ก, การออกจากจิตใจ น, นสรุปแล้วก็ของดีที่สุดก็คือจิตใจของพวกเราทุกคนพวกเรามีสิทธิ์มีส่วนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะประพฤติปฏิบัติสำรักจิตใจท่องตุนให้ส ะ, ส, ะสะอาดหมดจดได้ไม่ไม่ต้องสงสัยข อ, อให้ตั้ง ศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาให้มากๆเมื่อมีศรัทธาภรรยากำลังศรัทธาศรัทธาภรรกวิริยะภรรคความพากเทียนสะสมบุญกุศลวิริยะภรรคสติภรรคสติภรระแล้วลึกทั้นันมากๆแล้วลึกถึงสิ่งที่เป็นบุญปิกุศลสติภรรคสมาธิภรระตั้งใจไว้ขึ้นชื่อว่าบาปกรรมซึ่งว่าความทักขเสียหายข้าเจ้าจะไม่ ทำให้เกิดขึ้นเยอะไปในใจิตใจของของข้าเจ้าอย่างเช่ว่าที่พระธรรมชีภาลตั้งใจไว้ึือเชื่อว่าความทุกขเสียหายน้อยหนึ่งนีกเดียวเรจะจะมาให้มินิสังเวรแล้วรระวังรักษาเพ ร, ะราะนั้นท่านจะให้ซึ่งให้น้ำว่าทำคุ้มพองโรคนี้ความละอายเสียใจละอายต่อบาปตัวกรรมต่อโทษกลตตัวะปะความงกลัวกลัวต่อบาปตัวกรรมรักษาสังเวรระวัง เว้นว่าจะมันพังเผยเหมือนถ้าเราจะมีเจตนาทำจริงอย่าให้เกิดอย่าให้มีทางบระบังก์รษาที่พนั้นรักษาชิ้นให้นี่วันนี้ประมาณร้อยกว่าคนมารวมกันต่างพวกกัต่างมิชินไปอยู่จะไปที่ไหนไปที่ไหนไปอยู่ที่ใดจะไปไหนมาไหนมีแต่เย็นกับเย็นไม่มีรอดเพราต่างพวกกัต่างเมตตาท้องตามชิ้นกันและกันรักษา นัน่นคิดนั้นแต่ของไทยของเราต่างคนตาาา่างตามันก็เห็นนิดหน่อยมากเพราั้นสรุปแล้วเราลูกผัวว่าโลกกันเนี้ยบางประเทศเราเนี่ไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้ไม่ต้องมีกฎหมายถ้ารักษาถีงห้านี่ยทำได้ทุกคนไม่ต้องมีกฎหมายโรงสุราก็ไม่มีโรงสุรากา็กๆๆมๆๆๆไม่มีพวกยาเ็บโเสพติดก็ไม่มี เครงประหัสปหารสตว์เครื่องประหัดหารบุคคลควมีปืนพาน่าไม่อุอาออาวุธยุโทโธปกร์ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีพักไม่พวกเอาพวกกัพักเดียวพวกเดียวเนี่ยรวมกันทั้งประเทศไปศึกษามีชาความรู้มามีคนคนไหนมีความรู้ความสามารถอย่างไรเอาเอาความรู้เอาสติปัญญามาวัวกันมาศึกษากันสร้างสรรบ้านเมือง ให้มันเจริญจบตัวกันทำมันจบถ้าทำจะเป็นไปได้อย่าไปขัดขากันนะไปอย่ายื้อแย่งแข่งดีกันให้เมตตาที่กันและกันเขากับเราเหมือนกันร่างกายของเขาเขาเราร่างกายของเราอันเดียวกันเหมือนกับพี่ลูกท้องน้องลูกชายอันเดียวกันต่างคนต่างเมตตาสุขานที่กันและกันทุ่งโลกกว่นเย็นทั้งถ้าเป็นไปได้หมดทั้งโลกมิตะเย็นกับเย็นไม่โลบมากที่โลภมีทรัพย์มากๆ มีมากมากกับกินแค่ยินแค่ย <con> ุง่าน่ัวระยะยางมากกว่ารอยปีหมดหมดแรงหมดกำลังที่นี่ก็พอหมดลมหายใจเมื่อใดแล่ะหมดทันทีที่มันก่อกวนกันให้เป็นทุกข์เอยถ้าก่อควากันที่นี่ไปฆ่ากันฆ่ากันแล้วมันไม่แล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมเมื่อแตกตายทาลายขันลงไปแล้วกรรมทั่วที่ทำลงไปเน่ะมันจะพากดัน จกียรตใจนับอยู่เกิดในภูมิที่ต่าภูมิที่ต่าไปเกิดที่ไหนภูมิที่ต่าไปเกิดในเมืองนรกแต่เกิดเป็นเปรตแต่เกิดเป็นอสุรกายแต่เกิดเป็นสติรฐานแต่เกิดเป็นพุทธแต่เกิดเป็นพุทธผีพิศษนั่นแหละนี่ไหมล่ะยิงอยู่ร่างกายอาเป็นมนุษย์เกีตใจเป็นพระอาเป็นพระอาริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ร่างกายเป็นมนุษย์เกีตใจเป็นอเป็นพระพระอนาคามี จิตใจเป็นมนุษย์จเอร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเป็นพระสกิทาคาร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นพระโสดาร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจจิตใจเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเพียรเป็นสอร่างกายเป็นมนุษย์รร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์ในโลก เป็นสัตว์นรกมันไม่รู้เรื่องรูแลอะไรมันฆ่ากันกินกันอสัตว์นรกสัตว์ดิบสารเห็นไหมสัตว์ดิบสารเจ็บแค่ได้ป่วยมันยืนอยู่แทนที่จะเฮ้ยเฮ้ยาเป็นอะไรปวดหัวตัวร้อนหรือเป็นอะไรไม่ได้ทำเจอกันถ้าเป็นสุนัขกลับเลยถ้าเป็นวงเป่วยพิชกันเลยถ้าเป็นไ่แตกกันเลยที้งกันไปเลยนั่นมันไม่รู้มันไม่รู้ภาษีภาษาเพราะฉะนั้นเราออกทังฐานัง มนุษย์เสสุมนุษมนุษย์มีฐานะอันเลิอควรจะรักษาสมบัติของมนุษย์ไว้ให้ให้ให้มันปกติให้มันสมบูรณ์แบบให้ให้เป็นมนุษย์เต็มร้อยอย่าให้มันมีมนุษย์แต่ซื่อเฉยจิตใจมันแปรปวนไปเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่สารเป็นพูดผิปเป็นสัตวนใน์ตวนในโลกอันนี้มันมันไม่สมควรอย่าไมารา่รักษาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมาสา ม, มาสอนให้ตุกอนมนุษย์ให้ ทาความเขา้เขาใจว่าตนเป็ น, ปนมนุษย์เป็นโม ล, ลุษสมบูรณ์หรือเป็นอ่าผู้หญิงกสมบูรณ์เต็มร้อยเหมือนกันอย่าเต็จิตใจมันต่ำลงไปอีกถ้าจิตใจต่ำเนี่ย น, นะนะครเมื่อแตกตายทำไรคะเนี่ยนะกำทั่วไม่จะพากันจิตใจเลยให้เกิดในภูมิที่ต่า ท, ที่กล่ามานเพราะฉะนั้นอนะ่ะให้พากันทําความเข้ า, าใจเดี๋ยวนี้ร่างกายของพวกเรา <c oughs> ยังไม่เจ็บไม่ปวดพอจะกล่าทำมั่งเพลินได เรียบกระทํามำเปลี่ยนสร้างคุณคุณงามแต่ตนของตนทําได้ปฏิบัติได้ก็เป็นสมบัติของเราและก็เป็นสมบัติอันกรเกษมสูงสุดดีที่สุดปกคลี่กระจอันบริสุทธิ์ของไทยของเราเพราะฉะนั้นที่พวกเราปรารถนาว่าให้ทานตัวดีรักศรัทธตัวนี้จะเลยเมตตาภาวนาดีตอนขับเจ้านี่ถึงซึ่งพระนิพพานในอนุพัฒการมืองหน้าโนอนเถินพระนิพพานนี่ยก็ อย่าไปเข้าใจมันเลยเถิดเลยเถือ่อย่าไปเข้าใจว่พาพานิพานอยู่ในท่องฟ้าอากาศพานิพานอยู่ที่ไหนพานิพานอยู่ในที่ดวงจิตดวงใจของพวกเราแต่มันยังไม่เป็นแต่มันยังไม่เป็นเพราะว่าพวกเราลงมือทํามันยังไม่พร้อมมันยังไม่เต็มต้องทําให้มันเต็มก่อนเมื่อมาเต็มแล้วเนี่ยทำที่ว่าพานิพานก็คือนิพิธาความเบือ่อเบื่ออะไรที่นี่เบื่อจิตใจจนเดงนี่ ว่ามันหลงหลงโลกหลงสงสารนี่ลงมาเกิดมาแก่มัเกิดมาตายเบื่อจ็ตใจตนเองเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมาสามารถสอนให้ปฏิบัติมามาชำระทุกข์ออกจากจิตจากใจชาระโทษออกจากจิตจากใจนั่นเพราะฉะนั้นฉันมาเรียงเนี่ยเรียงมักไว้มักสังเวยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจารสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวิโมหสัมมาสติสัมมาสมาพิน สมาธิปัญญาเห็นเท่าถึงนชอบที่เก่ามาแล้วสมาสังคโปรก็บลำเลียงจะกรรมก็เก่ามาแล้วที่อะข้อที่สองข้อที่สามท่านบวก ก, กันว่าสัมมากรรมโตกับสัมมาอาสีวนเลี้ยงชีวิตให้มันชอบให้มันถูกทางการงานการทํามาหาเลี้ยงกีบอย่าไปให้มันไปกระทบตนและบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่าไปทําให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาเดือดร้อน บุญบายเปือนเนื้อร้อนใจเสียบอกเชียใจการงานที่จะทําแล้วก็เรี่ยงชีวิตกเสมือนกันการทํามาหาด้วยการทํามาหาหาเรื่องชีพประเภทค้าขายกเหมือนกันพระพุทธเจ้าจักเลี้ยงไว้ให้หลักขอนทางที่มัดทิศค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ที่ละสานสิ่งสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ไป อ่าค่าไขายเส้าค่าเ ป, เป็นอาหารค่าขายสัตาอาวุธค่าขายเครื่องประหัตหันสัตว์ค่าขายเครื่องดักสัตว์ค่าขายเครื่องเครื่องรองของเมาเป็นต้นตุลาเมลัยและยาเสพติดทุกประเภทเครื่องร้องของเมานี่ค่าขายจริงที่ผิดกฎหมายที่มีภาษีอากรของทน สิงที่มาูกต้องเนี่้าขายผิดบทถ้าผู้เจ้าจันห้าขายผิดจะว่าธรรมะเรื่องอะไรก็การบริโภคกันมือกันอืมการจยางดื่มธุระมีอะไรอย่างอย่างบริโภคการอยู่กันดีผ่องแดงกันมันมันไม่ถูกวัทางจริงของของดีๆของดีๆเป็นเป็นลาบเป็นควอยพวกนี่ยมันเป็นอ่ามันเป็นอาหารของผดผุดผีปีศาจถ้าเราไปกินในนี้เถ พวกก่าจิตใจไม่ต่ําลงไปเอ่ลงลงไปเป็นเป็นสัตว์ดีเลยสามเป็นพูดผีด mm hmm. ปีศาจเนื้องกิวิตไม่ถูกต้อง ส, สมมาอัติโวสมมากรมรมตัวสมมาจิวสัมมาวายาโมตินเพียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเป็นต้นพวกที่ฆ่าตัดลักทรพัพย์พฤทธผิดในการพวกนี้ล่ะถ้าไม่มีเดืงพฤษภามีอะไรพวกที่เก่ามานีจะเพี้ยนพยะเยมละออก วางพยายามเพียรพยายามละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามให้บุญกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมาให้หมดไปสิ้นไปเสียไปจากกิจจากใจนั่นรักษาไว้ทั้งหมดสัมมายว้สัมมาสมมาาติระลึกคำมันชอบระลึกสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเกียรติของตนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งระลึกในในในที่นี่ทำพวกเลย ในนึกในอารมณ์อารพระบุตรที่นี่ส่วนที่อันออกส่วนที่ละเอียดยาวออกมาภายนอกใช่วะระลึกให้มันถูกต้องอย่าพยาไปกิกระทบบุคคลอื่นสัตอื่นอย่าไประลึกอิดหาตาลอดคนอื่นอย่าไประลึกอ่าอันระลึกอยากอยากจะเอาสิ่งไปขโมยสิ่งของของคนนอื่นมาเป็นของขุนระลึกถึงว่าจะชนเป็นธรรมใช่ปะธรรมมาสัต์หรือมชอบ เลยที่จะจบธรรมะสมาธิจริตั้งใจไว้ให้มันชอบตริงเนใช่ว่าความตัวเสียหายน้อยหนึ่งนิดเดียวเราจะไม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นจำไว้ท่านแปลว่าทําคุ้มคลองโลกทุกไทยทําำ<อ>มีรีษม์ทละอายเสียใจละอายสวัสดิ์ต่ำอวสบะความเกรงกลัวกลัวสวัสรรดิส์ต่ำหนักห้าเราพัจจีบันรักษาไปรักษาไปรักษาไปรักษาไปสี่ห้า ถ้าไม่เป็นสินอมันไม่ต้องราคาไปสินห้าสินห้าสินแปดสินสิบสิน2องร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าไม่เป็นสินจริงๆแล้วมันมีสินตัวเดียวสินห้ากับสินตัวเดียวสินแปกับสินตัวเดียวสินสิบกับสินตัวเดียวสินสองสิสินสองรอยยี่สิบเจ็ดก็มีสินตัวเดียวสินตัวเดียวอยู่ที่ไหน ช, ชิ้นตัวเดียวก็คือจิตใจปกติจิตใจเป็นสิ้นที่จะธรรม น, นี่ชิ้นแท้อยู่ที่นี่อยู่ที่ดวงกนินใจของพวกเรานั่นอย่าไปมองข้ามตนเดียงอย่าไปดูถูกดูหมิ่นตนเดียงว่าเราคุณ น, น้อยวานาน้อยไม่ใช่หน้าที่ของเราผู้ประพฤติปฏิบัติไปยกให้พวกที่ท่านออกไปปฏิบัติออกไปบวชเป็นสัพเพขาวเป็นไปบวชเป็นธรร ม, มาน้าที่พำนไปออกบวช เป็นฟาบินเนียไม่ใช่พวกเร า, เราปฏิบัติได้เหมือนกันแค่ทิ้นหา้าข้างพุทการทิ้นห้าเนี่ยเขาได้สําเดจเป็นพระอรหันต์นับไม่ได้เหมือนกันนี่ไหมพระอรหันต์อย่าง น, างนั่งกุณฑลเกศีนยังไม่ได้ออกบวชยังไม่ได้ปฏิบัตินั่นแปลว่าอย่าลืมของเก่าเขาล่ะของเก่าเขาทํามาแต่อดีตศาสร์นางกุณฑลเกศีนได้ไปฟังธรรมของพระสารีบุตรพระสารีบุตร อจ ะ, ะ, ะ, ะแสดงทําให้นางภูชนเกษีเนี่ยฟังประโยชเกี่ยวใั่หนึ่งไม่มีสองคื อ, ออะไรได้แก่อะไรนั่นจบเลยนางภูชนเกษีได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์โดยเสียบพันพระพุทธเจ้าได้ยกย่องว่าบรรดาพระอภิสุนีมีนางภูชนเกษีได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์โดยเสียพันพระพุทธเจ้าได้ยกย่องว่า ด้เอตัคะเป็นเอกในบร ร, รดาพิถุนีนั่นนี่พวกเราหมือนกันต่อสมกั่าถึงจอย่าไปสงสัยว่าพระพุท ธ, ธเจ้าและพระอนอุตตรเจ้าเข้าสู่พระวรีนีพานไปแล้วหมดมรรคหมผลไม่หมดมรรคที่ผันทางที่กล่าวมาที่าาพูดว่าสัมมาทิสตรีสัมมาสังโฆสัมมาวาจารสัมมาคมตัวสัมม า, าชิว สมมาวยโมฯส ม, มาสติส ม, มาส ม, มาธิมรรคทั้งแปดเนี่ยทั่งจะย่นลงมาจะ ม, มีสามมีศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งแล้วกับปัญญาหนึ่งสามอย่างทีนี้ก็ศีลอยู่ที่ไหนทีศีลก็คือความรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยคือว่าศีลความรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นคือว่าส ม, มาธิ ความรอบรูปในกองสังขานคือว่าสัญญาจะถามว่าทั้งรอบทั้งรู่นีองสั้งขานอยู่ที่ไหนกองสังขานนึกกองนั่งอยู่นี่กองสังขานกองของใครของหลอนองรูปนั่งอยู่นี่แล้วก็กองเวทนาบวกในรูปความสุขความทุกข์กองสัญญากองจํำได้หมายรู้กองสังขานความปรุงความแต่งควคิดทั้งนึกใจใช่ใจแล้วก็เรื่องสังขารร่างกายกองวิญญาณ ความรักาสังกาทางหู king, age, ทางจมูกทางนิ่งทางใจได้ทางจิตใจอย่างนี้เรย ong, farming, million, 000, いいียกว่ากองอิญญจ้าว่าขันกับเรีว่ากองรกองขกองรูปประขันกองเวทนาขันกองสัญญาขันกองขังขารขันกองวิญญาณขันเมื่อจิตใจมามาเห็นว่าตอนสกนแล้วกาเนี้เป็นกองทุกข์จนิิจใจมันเห็นทุกเต็มที่ถึงเต่ิใจมันถอนออกจากร่างกายเดินนายายความันมที่นี่ จิตมันจะพ้ พ, พ, พ้นไปจากร่างกายเนี่ยพ้นไปจากรูปพ้นไปจากเวทนาพ้นพ้นไปจากสัญญาพ้นไปจากตังหาพ้นไปจากวิญญาณนั่นเพราะว่ารูปไม่ใช่ตนไม่ใช่จิตใจเวทนาไม่ใช่จิตใจสัญญาไม่ใช่จิตใจตังหาไม่ใช่จิตใจวิญญาณไม่จิตไม่ใช่จิตใจน่ะตัวดวงจิตดวงใจคือดวงรูปเป็นเนอกระเทีเต็มร้อย เพราะฉะนั้นจะว่ามีเน่ยสรุปเรียกองดีที่สุดอ่านอ่านบรรเทาใช้จีนแท้ๆที่ร่วงกิตจังใจของของไทยเรามีทุกคนมีสิ่งนี้ส่วนุกคนนั่นแหละยามองขํานจรินยาไปที่สุดตรงนี้เองวาฒนาคือการกระทํามันไม่มีสร้างขึ้นมาได้มันมีน้อยสร้างมันเป็นมากได้มันมันยังน้อยอยู่สะสมบำรุงมูลเลิศมันจะเรียตับตัวขึ้นไปได้เต็มได้เต็มร้อยได้เมื่อมันเต็มมาทีี่ มันจะลูกของใครของเราเหมือนกับเมือเหมือนกับเรารับประทานอาหารเพื่อมันอิ่มเมื่อเมื่อไม่อิ่มไม่เต็มแล้วเราเท่านั้นจะเป็นผู้รู้เราเท่านั้นจะเป็นผู้เห็นเราเท่านั้นจะเป็นผู้อิ่มของใครของเราลูกไม่จ้องสงสัยเพราะฉะนั้นอยาไปสงสัยการปฏิบัติปฏิบัติเพราะฉะนั้นสรุปแล้วที่นี่ถ้าอยากถ้าอยากคนทุกอยากคนทุกให้ว่างทุกในโลกอยากคนทุกให้ว่างทุกในโลก อยากคุณโตก่เศ้าโกาอะไรให้วางสุกในลักสุกทุกนี้ของมีประจำโลกมนุษย์โตกก็พอสุขทุกทส้งสองเมื่อละสุกละทุกได้เหมือนใจกองไม่สมองขี้ัวชั่วนิรันต์แตววังกวามีด้วยปาการาศนี